การลองใจเป็นบาปไหมถามถ้าไม่ได้ตั้งใจแกล้งใครจริงๆแต่ทำไปเพราะอยากลองใจว่าเขาเย็นจริงไหมหรือถือศีลสะอาดหมวดจดจริงหรือเปล่าอย่างนี้จะถือเป็นบาปเวรไหมครับคนเราถ้ายังไม่ใช่คนใจดีมศรรีศีลสัตว์บริสุทธิ์ก็อาจบอกตัวเองว่าแกล้งลองใจเขา ทั้งที่ใจก็จะเล่นงานเขาจริงๆนั่นแหละครับดูง่ายๆพอลองใจแล้วเห็นเขาไม่ดีจริงก็เกิดความสะใจเกิดความดูหมิ่นเยียดยามทํานองว่าเฮ้ย hey, ไม่แน่นี่ว่าไหนว่าเจ๋งเสร็จแล้วก็ไปเสริมอัตตาตัวเองให้โตขึ้นพองขึ้นด้วยความคิดว่าตนเหนือกว่าเขาที่ทําให้เขาหลุดทำร้ายๆออกมาสาเร็จคือมองไปว่าตนเองดีเลิศประเสริฐกว่า เข้าใจโลกมากกว่ารู้เห็นรอบด้านมากกว่าอะไรทำนองนั้นนี่แหละความเป็นไปได้ที่กิเลสจะบิดเบือนความจริงให้พลาดเพี้ยนอยากแต่พิสูจน์ใจคนอื่นใจตัวเองไม่ต้องพิสูจน์ก็ตัดสินเลยว่าดีแท้ผลของการลองใจที่ชัดเจนประการหนึ่งคือตัวเองจะโดนลองใจกลับบ้างเพียงแต่ผู้ลองใจไม่ใช่คนอื่นที่ไหน ถ้าว่าเป็นธรรมชาติกรรมวิบากนั่นแหละครับทํานองคุณเคยเตะคนอื่นอย่างไรธรรมชาติกรรมวิบากก็จะเตะคุณกลับอย่างนั้นคุณจะเต็มใจให้เตะหรือไม่ก็ต้องโดนวันยัง่ําโดยส่วนตัวผมไม่นิยมการลองใจและไม่เห็นเหตุจำเป็นใดๆต้องไปลองใจเพราะขณะคิดลองใจ เราเองจะเริ่มมีตัวมุสาโผล่ขึ้นมาเล็กๆแล้วและถ้าคนอื่นเขารู้ว่าเราแกล้งพูดแกล้งทําเพื่อลองใจเขาก็อาจเสียความรู้สึกและอาจระแวดระวังเราแทบทุกฝีก้าวตลอดไปเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะนึกขลังลองใจเขาอีกแต่ละคนอาจมีภาระหน้าที่หรือความจําเป็นอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ อย่างเช่นการสัมภาษณ์คนเข้าทำงานยุคใหม่เนี่ยเห็นว่านิยมลองใจผู้เข้าสัมภาษณ์ด้วยลูกเล่นแปลกๆเป็นต้นว่าพูดย่อให้โกรธหรือมองหัวจดเท้าและหัวเราะอึ่ตลอดเวลาดูซิว่าผู้เข้าสัมภาษณ์จะเก็บอาการได้เพียงใดหรือเกิดปฏิกิริยาฮึดฮัดสักขนาดไหนถ้าจาเป็นก็ทาไปเถอะครับแต่ขอให้สังเกตด้วยว่า ความจำเป็นต้องทำกรรมชนิดนั้นบ่อยๆจะมีผลย้อนกลับมาเข้าตัวบ้างหรือไม่หลักของกรรมวิบากข้อหนึ่งนะครับทำอะไรบ่อยๆสิ่งนั้นต้องย้อนมาสนองคืนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอโดยไมส่สนข้ออ้างเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักลองใจทั้งหลายเตรียมตัวเผื่อไว้คือเราลองใจเขาได้วันหนึ่งก็ต้องโดนลองใจคืน ซึ่งอาจไม่ใช่เจ้าตัวคู่กรณีที่เราไปลองใจเขาแต่อาจเป็นอะไรโหดๆที่มาถึงตัวแบบไม่เปิดโอกาสให้ตั้งหลักเหมือนกับที่เราไม่เปิดโอกาสให้คนถูกลองใจตั้งหลักนั่นเอง